พร้อมหรอยางทำแล้นะเมื่อนนนนะาวานหลวงพ่อสอนพวกเราเรื่องการพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาเม่มีตัวรู้แล้วเราจะเดินปัญญาได้การปฏิบัตินะต้องแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่เรียกว่าผู้รู้คือตัวจิตซึ่งมีคุณภาพ มีสติมีสมาธิที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกรู้คือตัวอารมณ์นี่พอเรามีตัวรู้มีสิ่งที่ถูกรู้แล้วเนี่ยเวลาเราต้องการทำสมถะเราใช้อารมณ์อะไรก็ได้สมถะกรรมฐานไม่เรื่องอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดก็ได้อย่างเช่นคำว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ย ถ้ ใ, ใจมันอยู่กับพุโทโธไม่ไปที่อื่นใจมันก็สงบนะได้สมะถะกรรมฐานอยู่กับลมหายใจใจไม่หนีไปไหนนะใจอยู่กับลมก็ได้สมะถะกรรมฐานนะตัวลมหายใจเนะี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นรู ป, ปธรรมนะพุโทโธเป็นอารมณ์บัญญัติเรือดู จิตใจดูความสุขความทุกข์ดูอะไรก็ได้ไม่เลือกกระทั่งอารมณ์นิพพานก็มาทำสมถะได้สำหรับท่านที่เคยเห็นพระนิพพานมาแล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนันอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยอะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมาก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้ ก็แค่น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องได้ความสงบแต่ถ้าขาดสติก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้มีสติอยู่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็เป็นสมาธิที่ดีเอาไว้เหมือนกับเราชาร์จพลังให้จิตมีกาลังจิตมีกาลังแล้วเรามีตัวรู้อยู่แล้วด้วย ก็จิตมีกําลังนะี่ตัวรู้มันจะเด่นดวงขึ้นมาจิตมันเคลื่อนนิดเดี๋ยวเราจะเห็นเองจะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนะี่ยเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นจิตจะเป็นคนรู้คนดูสมาธิมีสองันที่ดีนะสมาธิที่เร็วกับภพมิจฉาสมาธิทั้งหลายสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินะะเป็นสมาธิที่เร็ว นี่สมาธิที่ดีที่มีสติเี่มีสองอย่างห น, นึ่งเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่เลืองอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้ขอเพียงเป็นอารมณ์ที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอันนี้เอาไว้พักผ่อนทำให้จิตมีเรื่องมีแรงที่จะไปทำมิปัสนาต่อไป สมาธิอีกอย่างนึงสมาธิที่จิตตั้งมั่นอย่างที่เมื่อวานสอนนี่สมาธิพอจิตตั้งมั่นแะตัวรู้มันจะเกิดขึ้นอันนั้นเราไปทำห้ปั ส, สนาทำสมถะไม่เลือกอารมณ์ทำห้ปั ส, สนาเลือกอารมณ์คาว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้มีสี่อย่างอารมณ์ที่เป็นบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนึกอารมณ์ที่เป็นรูปธรรม อย่างลมหายใจเข้าออกร่างกายยืนเดินนั่งนอนท้องพองยุบมือขยับอะไรนะีนี่เป็นอารมณ์ที่เป็นรูปอารมณ์ที่เป็นนามเช่นดูความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงอะไรผุดขึ้นมาเรารู้นี่เป็นนามอารมณ์นิพพานเป็นอีกอันหนึง่งพ้นจากรูปนามไปนี่ถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยใช้ได้เฉพาะอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมา อ า, อารมณ์บัญญัติมาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะอารมณ์บัญญัติยังเจืออยู่กับการคิดวิปัสสนาะต้องรูนะ้ต้องเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเราคิดเอาใช้ไม่ได้นะไม่เป็นวิปัสสนาอารมณ์นิพพานเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์นิพพานไม่มีตรลักษณิพพานมีลักษณะสามัญลักษณะอันเดียวนะคืออนัตตลักษณะ มีความเป็นอนัตตาแต่นิพพานอันเที่ยงนิพพานเป็นสุขงั้นเราน่ยนิพพานมาทำนิพพสนาเนี่ยทำไม่ได้หรอกที่สำคัญที่สุดก็คือเราเป็นปุถุชนเราไม่เห็นนิพพานเราจะเอาของที่เราไม่รู้ไม่เห็ น, นมาทำกรรมฐานมัเป็นไปไม่ได้ได้แต่มนโนอาคิดเอาคิดเอาเองว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้แล้วก็นั่งคิดถึงนิพพาน่ะ ที่ย่นั้นไม่ใช่การใช้ในิพพานเป็นอารมณ์แต่เป็นใช้บัญญัติเป็นอารมณ์เนี่ยเราต้องพยายามฝึกนะสมาธิชนิดสงบเนี่ยทำให้จิตมีกำลังสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนีทำให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตมันตั้งมั่นแล้วสติะระลึกรู้รูปมันจะเห็นว่ารูปเป็นของถูกรู้เป็นอารมณ์ สติระลึกรู้นามมันก็จะเห็นว่านามมันทำทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของถูกรู้คือเป็นตัวอารมณ์จิตเป็นคนดมูมีจิตที่เป็นคนดูจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายนะหมุนเวียนเกิดดับมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเองไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์นะตราบใดที่ยังใช้ความคิดอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงนี่เราค่อยๆฝึก นี่เมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วว่ามิธีฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นหรือได้ทําให้จิตกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่เราคอยรู้ทันทํากรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนแล้วจิตหลงไปอยู่ที่อื่นรู้ทันว่าจิตหลงไปลนะเช่นพุทโธพุทโธอยู่จิตหลงไปคิดเนี่อรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดหายใจอยู่จิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดหรือหายใจอยู่แล้วจิตมันไหล เข้าไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างพาะเราเวลาทำกรรมฐานนะสมาธิเราไม่ดีพอเนะี่ยเราหายใจหายใจนะจิตมันจะไหลไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยกจิตไหลไปอยู่ที่ท้องตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลจะไหลหนีจากอารมณ์กรรมฐานหรือไหลไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ใช้ได้ขอให้เรารู้เท่านั้นนะสมาธิที่ดีจะเกิดขึ้นนะสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้น นสมาธิชนิดที่จิตมีความสุขมีความสงบทำยังไงเอาไว้พักผ่อนจำเป็นนะมีประโยชน์ถ้าจะพูดถึงความจำเป็นนะสมาธิสองอย่างนี้จำเป็นไม่เท่ากันสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจำเป็นถ้าขาดสมาธิชนิดตั้งมัน่นจะทำวิปัสสนาไม่ได้ส่วนสมาธิชนิดสงบเนี่ยมีประโยชน์ไม่ถึงขั้นจำเป็นว่าขาดไม่ได้ แต่ว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ตรงที่มันช่วยห น, นุนช่วยเสริมจิตใจของเราให้มีกำลังนะเวลาที่ใจเราไม่มีกำลังนะเวลาเราไปดูอารมณ์กรรมฐานอะไรนะแป๊บเดียวมันก็หลงไปที่อืแล้วมันฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตเรามีกำลังนะมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรักษาจนะาตั้งมั่นได้โดยที่ไม่ต้องรักษางนอย่างพวกเรามาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ย ขั้นแรกเลยในะช่วงแรกๆหกวพ่อฝึกสมาธิให้ใหม่ท้งนั้นเลยเพะสมาธิส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกมาตอนเป็นฆราวาสนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่เป็นสมาสมาธิต้องมาฝึกกันใหม่เลยอย่างคนไหนไม่มีเบสิกเลยนะในเรื่องของสมาธิยังฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็ทำสมาธิชนิดสงบไปก่อน หลักการที่จะทําสมาธิชนิดสงบนะะแตกต่างกับหลักการที่ทําสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิสงบเนี่ยให้เราน้อมใจของเราไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนี่ความสุขของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันอารมณ์ที่ทําให้มีความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพุทโธแล้วมีความสุขก็ใช้พุทโธบางคนหายใจแล้วมีความสุขก็ใช้ลมหายใจ บางคนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วมีความสุขนะก็หายใจเข้าพูดธหายใจออกโทบางคนเดินจงกรมแล้วมีความสุขบางคนสวดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดมนต์เอาเดินจงกรมเอาเราดูตัวเองว่าทำกรรมฐานอะไรแล้วเรามีความสุขอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กหลวงพ่อเรียนกับท่านพอรีท่านพอรลีสอนหลวงพ่อให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโท ท่านสอนให้นับด้วยหายใจเข้าพูดออกทัวนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกทัวนับสองอรย่างเงี้ยสลวพระก็ทมมาแล้วใจมันชอบนะ่ะใจมันชอบเวลาไม่มีอะไรทำก็นั่งหายใจไปรู้สึกสบายใจถ้าเราทำกรรมฐานที่เราสบายใจใจเราก็จะไม่หิวอารมณ์อื่นแต่ถ้าเราไปทำกรรมฐานที่เราไม่มีความสุขใจมันจะหิวความสุขมันจะดิ้นไปหาอารมณ์อื่นที่มีความสุขมากกว่า ตรงที่ใจมันดิ้นไปนั่นแหละใจมันฟุ้งซ่านใจมันไม่ได้สมาธิชนิดสงบเพราะฉนเราต้องรู้จักเทคนิคนะมีศิลปะในการปฏิบัติถ้าเราต้องการให้จิตได้พักผ่อนเนะี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขต้องดูตัวเองอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขบางคนสวดมนต์แล้วมีความสุขพวกสวดมนต์ก็สวดคลบกันอีบางคนชอบสวดยาวๆนะมีความสุข แตยาวเกินไปหลวงพ่อเม่นแนะนํานะอย่างสวดชินนบัญชรยาวๆอย่างเงี้ยระหว่างที่สวด น, นี่หลงไปห้าร้อยรอบนะั้นไม่ได้เรื่องอะ่ะไม่ต้องยาวมากเอาบทที่มีความสุขก็ใช้ได้ในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะชื่อพระจุลบรรทกะเป็นน้องของพระมหาบันทกะกับบรรทักก์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากะท่านบรรลุพระอระหันต์แล้วท่านก็ไปเรียกน้องของท่านมาบวช ด, ด้วย ท่านแต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้านะให้น้องบริกรรมเห็นไหมกรรมบริกรรมไม่จําเป็นต้องเป็นพุทโธเสมอ น, นะไม่จําเป็นต้องเป็นน้มาพะทะไม่จําเป็นต้องเป็นสัมมาอรหังแต่งเองก็ได้ขอให้ใจมันชอบนี่พระมหาพันธกาลท่านเป็นคนฉลาดมีปัญญามากท่านก็แต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าสยาวเลยพระจุลพันธกาลนะท่องไม่ได้ใจก็ไม่มีความสงบเลยมีแต่ความเครียดทํากรรมฐาน แล้วก็เครียดเครียดเคลียดในะสุดท้ายพี่ชายทนไม่ไหวพระมหาพันตะากะาบอกน้องชายวอกเธอศึกไปเถอะนะไม่มีวา ส, สนาในทางจะบวชแล้วโง่เหลือเกินกรรมฐานแค่นี้ก็ทําให้ได้พรนะจุลปันตะกะท่านก็เสียใจนะถูกไล่ออกยากวัดอยากภาวนาแต่กรรมฐานที่พี่ชายให้นั้นทําไม่ได้ท่านก็เดินร้องไห้จะออกจากวัดนี้บารมีท่านเต็มนะั้น แล้วท่านจะต้องบรรลุพระอรหันต์ด้วยการสอนของพระพุทธเจ้าคนอื่นสอนไม่บรรลุนะต้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็ไยดักเจอก่อนที่จะศึกไปแล้วท่านก็ถามว่ามาบวชเนี่ยมาบวชเพื่อใคระจะนับถือใครเป็นศาสดาบอกมาบวชอุทิศพระพุทธเจ้ามาจึงจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วบอกงั้นพี่ชายไล่แต่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ไล่อ่ะ ทำไมจะไปสละพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ผ้าขาวไปผืนหนึ่งบอกเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยผืนเนี้ยสีขาวขาวเนี้ยไปนั่งขยี้แล้วบริกรรมบริกรรมสั้นๆตรงพ่อบอกครั้งเดียวพวกเราคงจับได้แมันง่ายคำที่พระพุทธเจ้าให้ขับเนี้ยระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่น ท่า น, นก็ไปนั่งขยี่นะถึงเวลามีคนนิมนต์พระทั้งวัดไปฉันพระจุบพันธากาไม่รู้เรื่องหรอกพี่ชายไม่เรียกไปฉันด้วยหรอกพี่ชายนึกว่าศึกไปแล้วพาพระทั้งวัดไป พ, พระพุทธเจ้าจุรปันธากะก็นั่งขยี่ผ้าไปเรื่อยแลโชหาระนังรชังหาติไปเรื่อยจิตรวมจิตรวม ต่นนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในที่ฉันละคนก็จะถวายอาหารท่านก็บอกว่ารอก่อนรออยู่ก่อนยังไม่ต้องถวายพอจิตของพระจุรวันธการวมแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้เทเลคอนเฟรนท์ท่านส่งพลังจิตของท่านสร้างรูปนิมิตขึ้นมาถ้าพูดสมัยรุ่นหลังบอกมีกายทิพย์ของพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมา จริงก็คือเป็นรูปนิมิตที่ท่านอธิษฐานขึ้นมาสอนธรรมะพระจุลกันตกะฟังจบนก็บรรลุพระอรหันต์เลยแล้วเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากเลยจากคนซึ่งไม่มีสมาธินะกลายเป็นมีสมาธิมหาศาลได้นาพิญญาได้ที่ไม่ไม่มีปัญญาเลยนะนนะเพราะว่ามีกรรมเกา่าเคยบวชสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะแล้วฉลาดมากเลยชอบหั ว, วเราเย๊อกพระที่โง่กว่า ว่าแค่นี้ก็ท่องไม่ได้หัวรยอย่อเขานะ่ะเพรฉะนั้นพวกเราเป็นพลาเราเห็นเพื่อนสาธารภิกษนะไม่เข้มแข็งอะไรเนยะอย่าไปว่าเขาให้เขาเสียกําลังใจนะอย่าไปกะแนะแนบเขาอย่าไปอะไรนะบาปมากมเลยมันกว้างการปฏิบัติของตัวเองนี่พระชุลปันตะกะพอท่านบารรลุพระอรหันต์แล้วนะก็มีฤทธิ์ด้วยท่านก็ไม่ได้อยากกินข้าวหรอกวันที่บรรลุพระอรหันต์นะไม่มีใครอยากกินข้าวหรอก จิตมันอิ่มจนไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วนี่เขาก็จะตักข้าวถวายคณะสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านบอกว่าพระยังมาไม่ครบยังเหลือพระอีกองหนึ่งที่วัดให้คนไปตามพระมาหาปันถกาก็บอกหมดแล้วไม่มีแล้วพระเจ้าบอกมีอีกองหนึ่งโยมก็ไปตามนี่พระจุลปันถกากเนี่ยท่านแบ่งร่างของท่านนะ เป็นจำนวนมากบางองค์ก็กวาดวาดัดบางองค์ทํานวันทํำนี้เลเต็มวัดเลยคนจะไปนิมนต์นะงงว่าพระเต็มวัดเลยแลบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกมีองค์เดียวก็กลับมาทูลพระพุทธเจ้าว่วาวมีพระเยอะแยะเลยพระเจ้าท่านก็สอนวิธียังเราเห็นคนหน้าตาเหมือนๆกันเยอะๆเนะี่ยพระเจ้าสอนวิธีไว้บอกให้ไปเรียกชื่อ คนไหนขานรับคนแรกมนะให้คว้าข้อมือไว้เลยนี่ก็ไปคว้าข้อมือพระจุลบรรธากาสมารูปนิมิตทั้งหมดก็หายไปพามาฉันข้าวด้วยกันได้เลี้ยงฉลองเนี่ยทาไมท่านบรรลุมรรคผลได้เพราะสมาธิท่านเกิดขึ้นมา ท, มทําไมถ้ามีสมาธิเพราะท่านได้กรรมฐานที่สบายใจไม่ซับซ้อนนั่งขยี้ผ้าขาวไปนะ ขยี้ไปขยี้ไปบริกรรมไปเรื่อยๆที่จริงกรรมฐานที่ทําให้ท่านได้สมาธิที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ตัวคําบริกรรมหรอกแต่ตรงที่ท่านจะยี่ผ้าขาวไปเรื่อยสักพักหนึ่งท่านไปดูผ้าผ้านี้เดิมขาวสะอาดตอนนี้มอมไปแล้วะเปื้อนขี้มือไปแล้วะเปื้อนขี้เหงื่อไปแล้วะร่างกายนี้เป็นปฏิกูณนะเป็นอสุะภะนะแังนั้นพระจุลปันญกาเนี่ย ได้สมาธิชนิดสงบมาเนี่ยเพราะเห็นอสุภกรรมฐานไม่ใช่เพราะบริกรรมหรอกแต่บริกรรมนั้นเป็นอุบายทำให้จิตมีกำลังแล้วก็ย้อนมาเห็นความเป็นอสุภกรรมฐานเนี่ยเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเลือกเอาไปดูเอาเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขก็เอาอันนั้นแหละไม่ใช่เรียนกับหลวงพ่อหลว ง, งพ่อทำกรรมฐานโดยการทา หายใจเข้าพูดออกโธแล้วพวกเราจะต้องทำอย่างหลวงพอ่อไม่ใช่ทางใครทางมันดูตัวเองบางองค์ก็ชอบสวดมนต์นะก็สวดไปแต่ไม่ใช่สวดเอาขลังนะถ้าสวดเอาขลัง่ะไม่ใช่กรรมาฐานหรอกมันสวดด้วยความโลภไม่มีสติสวดเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะพระจิตมันมีความสุขกับการสวดมนตนะ์มันจะไหลไปอยู่ที่การสวดมนต์ไม่หนีไปอยู่ที่อื่นจิตเนี่ยมันก็เหมือนเด็ก นะปกติมันก็สนวิ่งออกนอกบ้านไปสนเรื่องโน้นสนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าผู้ใหญ่ฉลาดไม่อยากให้เด็กออกไปสนไปข้างนอกบ้านก็นะาหาอารมณ์กรรมฐ า, านที่เด็กชอบถ้าเป็นเด็กรุ่นหลวงพ่อเนะขาก็าจะหานังสือสนุกสนุกนิทานอะไรเงี้ยมาไว้ในบ้านเด็กว่างๆเด็กก็มานั่งอ่านนิทานมีความสุขอ่านเองไม่เป็นก็ให้พี่อ่านให้ฟังนันะก็มีความสุข เด็กมันก็ไม่ไปนสนนอกบ้านบางบ้านก็หาขนมที่เด็กชอบมาล่อนะเด็กชอบกินอะไรก็หาขนมมาไว้เต็มบ้านเลยเด็กมันก็ชอบกินขนมมันก็ไม่หนีไปที่อื่นหลักของการทำสมถกรรมฐานก็แบบเดียวกับที่เราเลี้ยงเด็กนั่นแหละเราไม่อยากให้เด็กสนไปที่อื่นนะเราก็หาอารมณ์ที่เด็กชอบใจมาล่อมาล่อจิตเด็กก็คือตัวจิต เอาอารมณ์ที่ชอบใจที่มีความสุขมาล่อนเด็กชอบกินขนมเอาขนมมาล่อเด็กชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเอา น, นังสือการ์ตูนมาล่อมันก็จดจ่ออยู่การดูหนังสือไม่ไปไหนจิตนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปดูเอาว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นนี่อารมณ์กรรมฐานแต่ละชนิดเนี่ยมันให้สมาธิที่ไม่เท่ากันนะ่ะ อารมณ์กรรมฐานบางอย่างให้สมาธิตื้นๆให้อุปจาระสมาธิบางอันตื้นขนั้นนั้นได้แค่คณิกาสมาธิอารมณ์กรรมฐานบางอย่างได้ถึงอัปปนาสมาธิได้ถึงฌานได้ถึงฌานบางอย่างได้รูปฌานบางอย่างได้ถึงอรูปฌานอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกนี่ยทีแรกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปพอจิตสงบเนี่ยคัมบริกรรมมันหาย เหลือแต่ลมหายใจใจก็สบายมีความสุขอยู่กับการหายใจไม่หนีไปที่อื่นโดยที่ไม่ได้บังคับเลยนะมันอยู่อย่างมีความสุขอ่พะพออยู่ไปอยู่ไปนะใจมันสงบมากขึ้นมากขึ้นลมหายใจหายลมหายใจระ ง, งับไปมันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาแทนที่ลมหายใจแสงสว่างนะั้เป็นอารมณ์แทนลมหายใจนะ แสงม่นจะอยู่แถวปลายจมูกเนี้ยสว่างเป็นดวงขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ที่ดวงสว่างนี้รู้อย่างมีความสุขไปแต่ถ้ารู้แล้วโลภนะสว่างแล้วดีอย่างโน้นดีอย่าง น, น, างนี้อยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรเนี้ยแสงนี้มันวิ่งไปได้นะอยากเห็ น, น, นสิ่งโ น, น้นอยากเห็นสิ่งนี้อยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์อะไรเนี้ยแสงมันจะฉายไปเลย แสงฉายไปถึงสวรรค์ น, นะจิตตามแสงไปถึงสวรรค์ก็ไปเห็นสวรรค์ฉายไปถึงนรกมันก็ไปเห็นนรกอันนี้ใช้ไม่ได้แร้วนะจิตฟุ้งซ่านแล้วเราไม่ได้ฝึกสมาธิเพื่อจะเอาของเล่นพวกนี้หรือได้ยินเสียงได้ยินเสียงหรือรู้เห็นว่าจะจิตของคนอื่นอะไรเนีอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติมันเป็นของแถมสําหรับบางคน ส่วนใหญ่ไม่มีหรอกของแถมทั้งหลายระลึกชาติได้พวกระลึกชาติได้นะส่วนใหญ่มโนเอาอย่างหลวงพ่อเคยเจอนะคนที่บอกว่าตัวเองเป็นพระนเรศวรมาเกิดเนี่ยมีทั้งเยอะทั้งแยนะน่อยพระนเรศวรทั้งนั้นเลยเลยไม่รู้พระนเรศวรทําไมแตกหน่ อ, อกมาได้เยอะแยะอย่างนั้นนั้นมันถูกหลอกอะ่ะอย่างพอภาวนาจิตเริ่มสงบลงไปนะหเห็นพระนเรศวรขึ้นมาอนะไรเงี้ยก็เลยนึกว่าตัวเองเป็นพระนเรศวร ความจริงในขณะนั้นอาจจะเป็นม้าอยู่ในกองทัพพระนเรศวรเป็นช้างในกองทัพพระนเรศวรก็ได้หรือเป็นพลทหารก็ได้จะมันไปนประทับใจพระนเรศวรเข้าแล้วพอมาภาวนานะเห็นหน้าพระนเรศวรขึ้นมานะก็บอกเนี่ยตัวเองเคยเป็นพระนเรศวร น, นิดเยอะเลยนะแบบเนี้ยเพราะงั้นกรรมฐานอะไรที่ออกไปรู้อดีตรู้อนาะคตทายโน่นทยนี่อย่าไปเชื่อมัน มองในมุมอย่างเดียวว่าเออสังสารวัตนี้ยาวไกลนะสังสารวัตนี้น่ากลัวมองให้มันเป็นประโยชน์เดีย๋ยวไปมองแล้วก็กูเป็นโน่นกูเป็นนี่นะเราพ่อเคยเจอนะหลายคนเลยมาภาวนาพระจิตสงบนะมีสมาธินเรื่องของสมาธินะสมถะเนี่ยมันจะมีของที่หลอกลวงเราเกิดขึ้นได้มากมายเกิดนิมิตแล้วก็ตามนิมิตไปเห็นโ น, น่นเห็นนี่ก็ได้นะ เกิดรู้อดีตรู้อนาคตก็ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เชื่อถืออะไรไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆต้องพิสูจน์ได้อย่างอริยสัจสี่เนี่ยไม่มีใครต้านทานได้พระพุทธเจ้าท่านบอกพอท่านหมุนกรงล้อของธรรมจักรนั่นคืออริยสัจสี่นะประการอริยสัจเนี่ยไม่มีใครสามารถต้านทานได้อีกต่อไปแล้วนั้นธรรมะของพระธเจ้าไม่มีความกำกวมอกของเล่นพวกนี้เป็นผลของสมาธิ สมาธิชนิดสงบนี่บางทีก็ระลึกนะเคยเจอหลหลายหลายรา ย, ายนะผู้ชายเนี่ยระลึกไปอุยผู้หญิงคนเนี้ยชาตินู้นเคยเป็นเมียเรานะผู้หญิงก็ระลึกไปผู้ชายคนเนี้ยเคยเป็นสามีเรานะงั้นต้องกลับมาเป็นคู่กันใหม่แบบนี้ก็มีนะอย่างนี้เวลวๆเขาเรียกครูบาอาจารย์ท่านเรียกนะว่ากรรมฐานหาผัวหาเมีย ถูกกิเลสมันหลอกแล้วแทนที่จะปฏิบัติเพื่อปล่อยวางจางใครายจะปฏิบัติเพื่อจะเอานะมะมโนเอวคนเนี้ยเป็นคู่เราจีบเขาเลยมีคนหนึ่งนะอายุก็เยอะแล้วนะไปเห็นเด็กรับใช้ของบ้านคนรู้จักอะมันหน้าตาน่าเห็นดูทีแรกก็นั่งสมาธิโอ้เด็กเนี้เคยเป็นลูกเป็นลูกสาวในอดีตชาติ ภาวนาไปเรื่อยๆนะใจมันมีกิเลสเห็นใหม่แล้วครั้งใหม่ก็คือเด็กนี้เคยเป็นเมียะจะเอาเด็กมาทําเมียลนะนัตกิเลสทั้งนั้นเลยเพราะน้นเวลาที่เราทําสมาถะกรรมฐานเนี่ยพยายามมีสติไว้อะไรที่เกินจากความรู้สึกตัวไปนะสงบก็ต้องสงบด้วยความรู้สึกตัวนะจิตเคลื่อนไปเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเนี่ยอย่าเอา อันตรายที่สุดเลยนะเราจะถูกกิเลสหลอกให้ยับเยินไปหมดบางคนกระทั่งเห็นผู้ชายนะเห็นผู้ชายเอ้ยอคนนี้ชาตินู้นก็เคยเป็นเมียเราจะเอาผู้ชายมาทําเมียอีกละอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไปหลงกับเรื่องว่าบ้าๆบอๆพวกนี้ทําไปเพื่อพอกพูนกิเลสไม่ใช่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกขนะ์งั้นสมถะกรรมฐานชนิดสงบเนี่ย ถ้าเราทําได้จิตใจจะมีกําลังตัวรู้ของเราเนี่ยจะตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องรักษาแต่ตัวรู้ไม่ได้เกิดจากการทําสมาธิอย่างนี้นะตัวรู้เกิดจากเรารู้ทันจิตที่เคลื่อน ร, รู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วตัวรู้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าถ้าเรามีกําลังของสมาธิหนุนหลังสมาธินุนหลังเนี่ยตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่ยิ่งถ้าเราเข้าฌานได้ออกจากฌานมาเนี่ย ตัวรู้เนี้ยจะเด่นอยู่เจ็ดวันนะเด่นอยู่ได้เป็นวันๆนะแต่ไม่เกินเจ็ดวันแนละ้วก็จะเสื่อมอันนี้ในตําราไม่มีนะ น, นี่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดสอนสอนกันมาเราภาวนาดูว่าจริงไม่จริงงั้นอย่างใจมันทรงฌานขึ้นมานะออกจากฌานมาเนี่ยถ้าทําฌานที่ถูกต้องนะสมาธิที่ถูกต้องแล้วสงบลงไปเข้าฌานไปตอนถอยออกมาเนี่ยจิตจะตั้งมั่น อยู่ได้นานไม่ใช่ตั้งแว บ, บล้มแวบบล้มอันนั้นเป็นคณิกาสมาธิตั้งขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับตั้งชั่วขณะแล้วก็ดับงั้นตัวสมาธิชนิดสงบเนี่ยมันช่วยเราให้ทรงตัวรู้อยู่ได้นานโดยที่ไม่ต้องจงใจไม่ต้องทำอะไรมันทรงขึ้นมาได้เองงั้นพวกเราควรจะฝึกนะควรจะค่อยค่อยฝึกค่อยค่อ ย, อ ย, อ ย, อยหัดไป ทำกรรมฐานแล้วสังเกตตัวเองอยู่อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราใช้อารมณ์อันนั้นไม่ต้องมาเรียนแบบคนอื่นอย่างเพื่อนสหัตตมิกเราเขาพูดโธพูดโธเราก็ไม่ต้องไปพูดโธตามเขานะแต่ถ้าเราพูดโธแล้วจิตใจเรามีความสุขไม่ฟุ้งซ่านไปที่อันนั้นเหมอะกับเราเราก็พูดโธดูตัวเองกรรมฐานเนี่ยไม่เรียนแบบคนอื่นแต่ดูตัวเองสํารวจตัวเองต้องมีปัญญา รู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับตัวเราปัญญาที่รู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะสมกับตัวเราเรียกว่าสัมปชัญญะนั้นสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คู่กันมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะนะก็ยังมีสติแบบโง่ๆไปก็นั่งเพ่งนั่งจ้องอะไรไปไม่ลืมเลยนะนั่งเพ่งนิ่งๆอยู่นะถ้ามีสัมปชัญญะก็เราจะรู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรเนี่ยเราไม่ได้ทําความสงบเพื่อจะสงบ แต่เราทำความสงบเพื่อให้จิตมีกำลังเนี่ยเรารู้วัตถุประสงค์เรารู้ว่าเราทำแบบไหนเราสงบเราก็ทำกรรมฐานานั้นๆมากๆทำบ่อยๆมีเวลาว่างปุ๊บทำปับ๊บนะการทำสมาธิชนิดสงบเนี่ยมีเวลาว่างห้านาทีก็ทำห้านาทีอย่างเวลาเช้าๆเรามาเนี่ยมารอครูบ า, าอาจารย์อยู่มานั่งจะฟังธรรมเงี้ยนะเรามีเวลาห้านาทีก่อนที่ครูบาอาจารย์จะมา เราไม่รู้จะทำอะไรเราก็ทำความสงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือกรรมฐานอะไรก็ได้อย่าทิ้งเวลาเปล่าๆ เ, เวลาห้านาทีมีความสำคัญมากนะห้านาทีเนะี่สมมติเราตื่นอยู่สิบสองชั่วโมงนะชั่วโมงละห้านาทีมันคือหกสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงแล้วที่เราได้ทำกรรมฐานถ้ามีห้านาทีก็ทิ้งมีสิบนาทีก็ทิ้งเหลือเวลาน้อย ใช้ไม่ได้หรอกฟุ้งซ่านทั้งวันพอตกค่ําจะไปทําสมาธินะจินไว้ฟุ้งซ่านมาเต็มที่แล้วมันจะเหนื่อยเหมือนเด็กจะเล่นสนมาเต็มที่แล้วพอเข้าบ้านก็หัวซุกเข้าไปที่นอนหลับเลยนะสุกหัวสุกหมอนหลับเลยบางคนไม่ถึงหมอนก็หลับกลางทางก็มีนะ เ, นเด็กมันสนมากงั้นถ้าเราเก็บสแปรเรื่อยๆนะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในระหว่างวันนะี้ 5นาทีสิบนาทีไม่ทิ้งเก็บไปเรื่อยๆนะในรวงองค์ก่อนนะท่านภาวนาเก่งท่านเคยเล่านะไม่ใช่เล่าให้หลวงพ่อฟังนะเราไม่มีบุญบา ร, รมีเข้าใกล้ท่านอย่างนั้นหรอกนะท่านเล่าครูบาจจารย์องค์ไหนหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วนะมันนานมากแล้วบอกว่าท่านแบ่งเวลาท่านสอยเวลา ของท่านเป็นช่วงเล็กๆนะท่านไม่มีเวลายาวๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงะที่จะมานั่งสมาธิงานท่านมากงั้นท่านแบ่งเวลาเป็นช่วงเล็กๆห้านาทีในว่างลนะท่านทำห้านาทีว่างสิบนาทีทำสิบนาทีท่านถึงภาวนาเก่งครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปศึกษาด้วยยกย่องมากนะว่าในหลวงท่านภาวนาดีมากๆเลยภาวนาเก่งมากๆเลย ไม่ธรรมดาเป็นระดับไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ล้าเลยมีเวลาห้านาทีสิบนาทีก็ทำเพราะฉะนันพวกเราทําเราจะมาอ้างว่าไม่มีเวลาไม่จริงหรอกขนาดพระเจ้าแผ่นดินนะงานเยอะกว่าเรายัางมีเวลาเลยเนี่เรามันโง่เองอนะเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจที่จะฝึกตัวเองใส่ใจที่จะฝึกตัวเองไม่ทําได้เต็มไปหมดนะยิ่งเป็นพระาเงี้ย เดินบินธบาตมันคือเดินชงกลมนั่นแหละทาไมจะวันหนึงจะไม่มีเวลาไปรดน้ําต้นไม้พวกเราช่วยกันปลูกป่าตกเห็นเราไปรดต้นไม้กันไปใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยเราก็สามารถจเจริญสติได้ตลอดนะถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับการทํางานของเราเราจะได้สมถะได้สมาธิแต่ถ้าเรามีสติอยู่แล้วเรารู้ทันว่าใจเราหนีไปแล้วเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่น ใจตั้งมั่นใจเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้ถูกดูมันจะแสดงใจรักษณ์ให้เราเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่เรานร่อวะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยร่างกายนี้ไม่คงที่จะเห็นอย่างนี้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกายหรือสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจะก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดู อะไรที่ถูกดูเนี่ยมันจะง่ายที่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นอนัตตาได้ง่ายๆเห็นแก้วน้ํานี่ไหมแก้ว น, น้ําเนี่ยเป็นของที่เรารู้นเรารู้จักแก้วน้ํานี้ด้วยตาสิ่งที่เรามองเห็นเนะยไม่มีใครเห็นแล้ว่าแก้วน้ํานี้คือตัวเราเหรอกมันบ้าแล้วเพะเะนัอนเร า, เามีใจเป็นคนรู้นะแล้วก็ไปรู้อารมณ์ทั้งหลายเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราเหรอก เป็นของถูกรู้ถูกดูไปจิตก็ของถูกรู้ถูกดูเจตสิก ค, คือสุขทุกข์ดีชั่วก็ถูกรู้ถูกดูร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูร่นแต่ไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้เราเดินปัญญานี่เดินปัญญาเปนช่วงหนึ่งจิตหมดแรงพอจิตหมดแรงกลับมาทําสมถะไม่อยู่กับลมหายใจไม่อยู่กับพุโทโธอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขอบางคนเล่นทางรัทนะ่ะนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วมีความสุข อันนี้เป็นสังขารุสตินึกถึงครูบาอาจารย์ต้องเลือกดึกนึกถึงนะเป็นนึกถึงครูบาอาจารย์เดรัจีจิตเพี้ยนเพียนอะไรอย่างนั้นไม่ได้ใจเราไปเชื่อมอย่างนั้นนะก็เพี้ยนตามไปเลยเราต้องมั่นใจครูบาอาจารย์องนี้ดูท่านสะอาด ห, หมดจดตัวท่านก็สะอาด ห, หมดจดธรรมะที่ท่านสอนนะก็เป็นไปเพื่อความสอาด ห, หมดจดจริงๆนะเราเชื่อมั่นได้ดูท่านผ่องใส ความผองใสดูด้วยตาธรรมดาไม่ได้นะเชื่อถือไม่ได้บางคนมันไปแต่งหน้ามเมคอัพไปดึงหน้าให้ตึงนะฉีดอะไรต่ออะไรเข้าไปให้ดูสวยงามมีลาสีแต่ใจมันมอมนะมันดูตรงพองใสไม่ได้เวลาเราเข้าไปใกล้ฉีดเนี่ยเราไปดนะูเขามีสีนั้นงามไหมอะไรเงี้ยนี่ถ้าเรามั่นใจแล้วครูบาอาจารย์เราดีจริงนะเราะระลึกถึงท่าน หลวงพ่อนะบางทีฟุ้งซ่านหลวงพ่อนึกถึงหลวงปู่ดุลนะเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็วาดภาพพระพุทธเจ้าไม่ออกกลายเป็นนึกถึงพระพุทธรูปไปแล้วนะนึกถึงหลวงปู่ดุลใจของเรากับหลวงปู่ดุลนะรู้สึกเหมือนเชื่อมต่อกันนะใจเราก็มีปีติมีความสุขมีสมาธิขึ้นมาทันทีเลยนะนั้นเป็นวิธีทําสมะถะกรรมฐานแบบง่ายๆแต่ก็ต้องหัดทำนะ ถึงจะเป็นแต่ตัวนี้อันตรายอย่างนึ่งถ้ามันไปเชื่อมครูบาอาจารย์ได้ต่อไปมันก็ไปเชื่อมคนอื่นได้มันจะออกไปรู้ไปเห็นจิตใจของคนอื่นนะถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่แล้วไปรู้จิตใจคนอื่นเนี่ยจิตมันจะไม่เข้าบ้านนะจิตมันจะหนีเพลิอนออกไปข้างนอกเพราะฉะั้นห้ามเล่นเด็ดขาดนะหลวงปู่ดูลเนี่ยห้ามเลยออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกไปรู้ว่าระจิตคนอื่นเนี่ยท่านห้ามเด็ดขาดถ้าไปทําเข้านะ บางคนก็บ้าบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยสุดท้ายทนไม่ไหวะเพี้ยนไปเลยแล้วเราอย่านอกรู้นอกทางครูบาอาจารย์ห้ามอะไรก็เชื่อฟังไว้บ้างครูบาอาจารย์ไม่ได้ห้ามลอยๆเราห้ามมาจากสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นมาแล้วนี่อย่างเรานึกถึงครูบาอาจารย์ตรงนี้แล้วใจเราเบิกบานสงบสุขถ้าเราลึกถึงแล้วกิเลสเกิดนี่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วลึกถึงแล้วสงบสุขอะไรเงี้ยอย่างนี้ถึงใช้ได้ ใจ้สงบทันทีนี่หลักของการทําสมถะชนิดสงบเพะฉั้นวันนี้สอนนะสมถะชนิดตั้งมั่นสอนมาแต่เมื่อวานชนิดสงบก็คืออยู่กับอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขนะพอใจสงบมีกําลังแล้วก็พัฒนาใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจใกายใจเร่องแต่ของถูกรู้ถูกดูนะดูไปเรื่อยๆม่นแสดงไตรลักษณนะ์วันนี้สมควรเก ล, าล้าละแปดโมงพอดี ก็ยุติเท่านี้นะโยมที่ฟังที่บ้านที่อื่นนะนะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะอย่าประมาทนะรักษาตัวให้ดีอะไรที่ราชการเขาแนะนำก็ทำจนะได้ปลอดภัยจะได้มีโอกาสมาฟังธรรมกับหลวงพ่อตัวเป็นๆได้อีกนะไม่ต้องถอดจิตมาหาหลวงพ่อนะเอเท่านี้ละ